บุ๊กทยี่สิบเอ็ดดวัตซ็ดอดินการสนทนาสองฮูตร์คาดุฮายคุณมาจากไหนคะอัดคูลเวมมาจากบาเซลคะ่ะสบาซล ปาเซลอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์บาเซลส์นั่งอยู่ประเทศสวิตเซอร์ลีมดิฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักกับคุณมิลเลอร์ได้ไหมคะแต่สวัสดีปัสนาโยมิทวัสสปารุมม м ลเ л е р ์ м เขาเป็นคนต่างชาติยุนอินชาดีมิทสเขาพูดได้หลายภาษา คุณมาที่นี่ครั้งแรกใช่ไหมคะไม่ใช่ดิฉันเคยมาที่นี่เมื่อปีที่แล้วคะ่ะแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นคะ่ะ คุณชอบที่นี่ไหมคะ y нас подобается คนที่นี่ใจดีดิฉันชอบมากคะ่ะ Vladimir Spadaev ทุกตัวอย่ люди และดิฉันก็ชอบทัศนียภาพด้วยคะ่ะ Природа мне так само подобается คุณทำงานอะไรคะ ดิฉันเป็นนักแปลย п е ปล к ร а д ั и ชกดิฉันแปลหนังสือย п е ปล к ร а д а ก к ด и ยุคีคุณมาที่นี่คนเดียวใช่ไหมคะ Вы ทุ т อ д จิไม่ใช่สามีของดิฉันก็มาที่นี่ด้วยค่ะ н น м ยม ж ย н จ а м ก й муж, ม а ยม а ชทัก т ามทุตและนั่นเป็นลูกทั้งสองคนของดิฉันอาตัมด้วอยมาอีกเจ